98กุกกุฏ จ, จะประกาศปณรษะว่าด้วยภิกษุตังวลใจทำอุโบสถ15กรณีข้อหนึภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในาวาดหลายรูปแต่ไปชุมกัน4รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในาวาดพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่ แต่กำนวลใจทำอุโบสถยกปาธิโมกขึ้นแสดงด้วยคิดว่าพวกเราควรทำอุโบสถแท้ไม่ใช่ไม่ควรทำเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำลังยกปาธิโมกขึ้นแสดงขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพู้อื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงยกปาธิโมกขึ้นแสดงใหม่พวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอาบัติทุกกดวงเล็บหนึ่งภิกษุทั้งหลาย อันนึงในกรณีนี้ในอวาดแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในวาดหลายรูปแต่ประชุมกันสี่รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่กังวลใจทำอุโบสถยกปฏิโมกข์้นแสดงด้วยคิดว่าพวกเราควรทำอุโบสถแท้ไม่ใช่ไม่ควรทาเมื่อภิกษุเหล่านั้น กำลังยกปาติโมกขึ้นแสดงขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันปาติโมกที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังเพิ่งฟังโอเทศที่เหลือพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอบวดทุกกฎวงเล็บสองภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูป แต่ประชุมกันสี่รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่กังวลใจทำโมโบสถยกปาติโมขึ้นแสดงขึ้นแสดงด้วยคิดว่าพวกเราควรทำโมโบสถแท้ไม่ใช่ไม่ควรทำเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำลังยกปาติโมขึ้นแสดงขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํำนวนน้อยกว่า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 ยังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่กังวลใจทำบุโบสถยกปาติโมขึ้นแสดงด้วยคิดว่าพวกเราควรทำอุโบสถแท้ไม่ใช่ไม่ควรทำพอภิกษุเหล่านั้นยกปาติโมขึ้นแสดงจบขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพู้อื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงยกปาติโมกขึ้นแสดงใหม่พวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอบัตทุกฏ พอภิกษุเหล่ า, ดด น, านั้นยกปาริโมกขึ้นแสดงจบขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันปาริโมกที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังพึงบอกปาริสุทีในสํานักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอบัตทุกกดวงเล็บ5ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าวงเล็บห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 พวกภิกษุผู้มาทีหลังเพิ่งบอกปาริสติในสำนักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอบัตทุกกฎวงเล็บ8ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าวงเล็บ9ก้พอภพิกษุเหล่านั้นยกปาฏิโมกขึ้นแสดงจบบริษัทรุก ข, ขึ้นบางส่วนขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าวงเล็บสิบ ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันวงเล็บสิบเอขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าวงเล็บสิพอภิกษุเหล่านั้นยกปาติโมขึ้นแสดงจบบริษัทรุกขึ้นทั้งหมดขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวัดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าวงเล็บสิบสาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันวงเล็บสิ ขาะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าวงเล็บบ ก, กุกุจจากปกตกาปณราัสกาจบ